อพอถึงวันพระนะญาติโยมสาธุชนหลายคนก็นิยมมาทำบุญที่วัดการทำบุญนะก็ทำได้หลายแบบหลายท่านก็ชอบที่จะทำบุญนะกับเจ้าอาวาสหรือว่าพระที่มีพรรษามากเป็นหลวงปู่หลวงตายิ่งถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่ามีชื่อเสียงนะ เป็นที่รู้จักเป็นที่ศรัทธาของผู้คนญาติโยมก็หลายคนก็อยากจะมาทำบุญกับท่านนะแต่ว่ามันมีวิธีการทาบุญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือทำบุญถวายแกสงนะบุญอย่างนั้นแหละถ้าเป็นทานเราก็เรียกว่าสังกฐานนะถ้าถวายเจาะจงกับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาองค์ใดองค์หนึ่งนะเราเรียกว่า ปาติบุคลิกทานนะไม่ใช่สังกทานและการถวายกับสงนะในรูปสังกฐานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญถึงแม้ว่าพระที่ประกอบไปด้วยที่ประกอบกันเป็นสงเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มีพรรษามากอาจจะเป็นแค่พระหนุ่มนะพรรษาน้อย หรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่ากับหลวงปู่หลวงตาหรือเจ้าอาวาสนะแต่ว่าสงฆ์นะที่ประกอบด้วยพระเหล่านี้เนี่ยก็ควรได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมนะเพราะว่าพระหนุ่มๆ ห, หรือพระนวากาเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระพันสามมากนะ ไม่ได้มีการปฏิบัติที่น่าเคารพน่าศรัทธาเหมือนกับพระแก่ๆหรือว่าพระพันสามารหรือครูบาอาจารย์แต่ก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็กลายเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หลวงปู่หลว ง, งตาหลายรูปเนี่ยที่ผู้คนนับถือกัน จะเรียกว่าส่วนมากลก็ว่าได้นะท่านก็เริ่มต้นมาจากการเป็นพระหนุ่มหรือเนรน้อยที่ใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้มีความน่าศรัทธาเท่าไหร่หรือหลายท่านก็อาจจะไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะมุ่งนิพพานไม่ได้มุ่งละกิเลสแต่ว่าบวชตามประเพณีนะบางท่านก็บวชบวช ด, ด้วยความเข้าใจ หรือความคิดแบบโลกโลกอย่างหลวงปู่ดูเนี่ยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเนี่ยซึ่งคนนับถือนะ ท, ทั่วบ้านทั่วเมืองนะแม้กระทั่งทุกวันนี้แม้ว่าท่านจะมารับหน้าภาพไป20ปีแล้วตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนี่ท่านก็ไม่ได้มุ่งมักผลนิพพานอะไรเลยแต่มาบวชดด้วยแรงแค้นนะแค้นที่มีโจนเนี่ยมาปล้น โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไม่ได้ครั้งเดียวละสครั้งเนี่ยเรียกว่าสูญเสียทรัพย์ไปมากแล้วตัวท่านเองซึ่งตอานก็ยังหนุ่มเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่มีปัญญาที่จะป้องกันหรือแก้แค้นก็เลยขี้จะบวชนะเพื่อจะไปเรียนวิชานะอยากจะเรียนพวกวิชาคงกับพันชาตรีเรียนแล้วก็ศึกไป เพื่อไปแก้แค้นโจรนะที่มาปนบ้านโยมพ่อโยมแม่ก็คิดเท่านี้แหละไม่ได้คิดอะไรไกลเลยไม่ได้คิดที่จะฝึกฝนตนด้วยซ้าแต่คิดที่จะไปแก้แค้นผู้ร้ายเนี่ยที่มาเบียดเบียนพ่อแม่ตัวเองนี่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะป้องกันได้ก็ไป ตั้งใจว่เรียนวิชาคงกระพันชาตรียิ่งไม่เข้าฟันไม่ออกเลยแล้วก็จะนะไปแก้แค้นนะให้สมใจให้สะใจเลยก็คิดเท่านี้แนะตอนที่ตั้งใจบวชแต่บวชแล้วเนี่ยนะก็ะกบว่าจิตใจก็ค่อยน้อมเข้าสู่ธรรมะนะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าวิธีช่วยของพระบรรยากาศของสงฆ์ก็ ค, ค่อยก่อมเก้า นะให้รู้จักผิดชอบชัว่วดีนะให้เห็นว่ า, าการแก้แค้นนี่มันมันไม่ใช่วิสัยนะของชาวพุทธแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเท่าะน้อยเท่ละน้อยนี่ท่านก็ไม่มีความที่จะไปแก้แค้นใครแล้วแล้ก็เกิดความศรัทธาในพระตนัตไตรนะศรัทธาในการฝึกฝนแทนที่จะเรียนวิชาคงกับพัญชาตีน นะให้มีฤทธิ์มีเดชก็มาเรียนวิชากรรมฐานแทนเพื่อระ ง, งับดับกิเลสท้ายท่านก็กลายเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะเป็นพระที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมนะได้ชื่อว่าเป็นพระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่งหลวงปู่เจ้าก็เหมือนกันนะหลวงปู่เจ้าจุนโทเนี่ย ซึ่งหลวงปู่มั่นนี่ยกย่องมาเป็นผ้าคิีหรือหอทองเนี่ยก็เหมือนกันนะเวลาบวชเนี่ยไม่ได้บวชเพราะศรัทธาในพระตัตนาไตรเลยก่อนบวชนี่ก็เป็นคนที่เก่งเมลัยเกเรแต่ว่าบังเ อ, อิญรักผู้หญิงธรรมเนียมไทยเนี่ยจะแต่งงานใครได้ก็ต้องบวชซะก่อนก็เลยตัดสินใจบวช <c oughs> บวชเพื่อจะได้สามารถจะแต่งงานกับหญิงสาวที่ตัวเองรักได้ ไม่งั้นพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมให้แต่งงานนะวัตถุประสงค์หรือเหตุผลการบวชก็เท่านี้แหละนะแต่พอบวชไปแล้วนี่จิตใจให้น้อมสู่การปฏิบัตินะเห็นคุณค่าของพระธรรมแล้วก็เห็นว่าชีวิตทางโลกนี่มันเป็นโทษมากกว่าคุณนะทีละน้อยทีละน้อยจากพระที่ไม่สำรวมไม่เรียบร้อยนะ ก็ค่อยๆนะกลายเป็นพระทีะ่มีความตั้งใจในการบวชจริงๆแม้ทท่านจะมีบัรสามากท่านก็ดูมันไม่่พ่สํารวมนะแต่ว่าจิตใจท่านเนี่ยผ่องแผ้วมากหลวงปู่ ม, มั่นจึงให้ฉา ย, ยาว่าพระคิรุหอทองนะเรื่อกับกิริยาภายนอกนี่ดูเออะมะเถิงนะดูไม่ค่อยเรียบร้อยไม่งามนะในสายตาของญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่นะก็ดูกตรงนี้แหละ ดูตรงที่ว่าสำรวมไม่พูดจาไพเราะไหมนะหลวงปู่เจ๊เนี่ยท่านไม่มีอาการแบบนี้เท่าไหร่แต่ข้างในผ่องแผ้วมากคนไม่เข้าใจชอบตัดสินคนด้วยอากับกิริยาภายนอกก็คงไม่ชอบนะหลวงปุจเจ๊แต่ว่าพระที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบรู้เลยนะหลวงปุจเจ๊เนี่ท่านลึกซึ้งมากทั้งหมดที่เรามานี่ก็เพื่อที่จะชื่อเห็นว่าเนี่ยพระที่ บทใหม่เนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสํารวมนะแต่ว่าก็สมควรได้รับการอุปธรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์เพราะว่าสามารถที่จะเป็นเลือดใหม่ที่นำความเจริญงอกงามมาสู่ศาสนาได้การอุปธรรมก็ไม่ควรเจาะจงนะแต่เฉพาะพระที่มีพรรษาเยอะหรือว่าพระที่เรียบร้อย หรือว่าพระที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้ในหมู่สงฆ์นะที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ถ้ารับการดูแลได้รับการอุปถัมภ์นะด้วยปัจจัย4ี่นะก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาได้แต่ว่าอุปทานมันเดียวไม่พอนะก็ต้องรู้จักชี้แนะด้วยนะอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะแนะนำหรือว่าสอน เพราะว่าบางทีโยมนะเจอพระที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็ไม่กล้าพูดกลัวบากรนะนั้นนี่ไม่ใช่พูดได้นะแต่พูดด้วยหรือแนะนําด้วยความเมตตานะเพราะว่าบางทีพระก็อาจจะพลั้งเผลอได้เดี๋ว่าจะพระหนุ่มเลยบางทีพระแก่ก็พลั้งเผลอได้ญาติโยมก็มีสิทธิ์นะแล้วก็สมควรด้วยนะที่จะ แนะนำตักเตือนนะอันนี้ไม่เรียกว่าบาปนะถ้าทำด้วยเจตนาที่ดีนะไม่ได้ทำด้วยความโกรธนะก็เรียกว่าเกื้อกูล ก, กันนะทั้งในทางปัจจัยสีแล้วก็เกื้อกูลทั้งในทางวัรนวินัยนะมันก็จะช่วยทำให้มีพระที่ดีงามนะแล้วก็เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดสงฆ์ที่เป็นที่เป็นหลัก เป็นทางของาศาสนาและเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้